พระธรรมเทศนาการนี้แทนพระอาจารย์มหาบุญญาณสัมปันโนแสดงขอธนัตถาที่มาจากจังหวัดชบุรีเมื่อวันที่21มกราคม2568ณวัดา่านจังหวัดบุรีรทานนี้จะความภาจท ทางนักปฏิบัติตั้งหลายต่างก็งานด้วยความสนใจนุ่งกว่าเพื่อารเกอการจอบตุวและแก้ไขกลุ่มแม่ักรไก่ฉันไก่ก่ันนึ ที่เห็นจากความยากความลำบากแลิ่งเตืนโดยดังแ้ชีวิตจิตใจในขณนะที่มาก็ต้องยอนสลับหากเกิดเนจุตายด้วยอุติเหตุอันตรายใดๆขอยย้อมสลับเพื่อดีคา่าพระนรรมกายมีกับือ เป็นภุมิทัณฑ์ัดทานกล้าหารหวังผลประโยชน์ซึ่งตนไม่เป็นมือไม่แล้นอย่างใดเป็นสำคัญควาสิ้ทั้งหลายที่ก า, ารผ่านนั้นะนั่นเรื่องความละหมาดตามจินตเวรและชีวิตซึ่งเป็นของมีค่าจึงไม่สามารถจับเป็อนเอกสาร ปิดขวางการมาของคำต่างๆและอำนาจในการทางความเทียมใหม่ในหลักธรรมของท่านไปจากนี้เป็นสิ่งที่มีกำลังก็้ามากกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เช่นนั้น เ้าทั้งหลายขึ้นเป็นนักัวชที่ปรากฏอยู่ในที่หนึ่งก็ดีหรือปรากฏมีอยู่ในที่อื่นก็ดีจะไม่มีท่านที้ใดสลัเพื่อความเป็นเทว่าึงโลกเนหนว่เป็ของีถึงข้ากล้าเข้ามาสืบเพืของนังกบว ซึ่งเป็นของเล่ยคุณค่าในสียนของร่างกายและจิตใจทุกส่วนถ้าเพื่ของค่านี้เป็นเพื่ีจีระทุกจากที่โลกเห็นว่ามีราคาแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังจำแยงยันเสรอเพื่อพื้นที่ต่อความเพียร ซึ่งเป็นหลักธรรมขององค์ส้นเดก ถ, ถ้าถู้มีเจพตพากาในทั้งหลายจึงมีเปลี่ยนผ่านเทศดซึ่งเป็นทวารคันเตินขเหมือนรักงยิ่งนั่นเข้ามาสิเทศทรมในกันเกิดเจรละทิฏฐิมานักละความเหนือนความหงเหนซึ่งเป็นธรรมชาติ ฝังภาในจิตใจทั้งเรามาเป็นเวลานาให้หมดไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจความเป็นนักบวชในบื้องตรนเมการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชเป็นลำหนักตัดนี่คือว่าถูกรรมเยี่ยนอย่างขององค์สมเด็จพระถูมีพระภาคจาาและสาวกทั้งหลายซึ่งท่านไม่พาดำเนินมาอย่างยิ่ง หาเราพระศาสนาที่ได้รับการปฏิบัติตามหรือการบำลึงตามแฉธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่าไรจากท่านพุทธศาสนิกชนทั้งอุบาสกุบาติกาทั้งนักบวชเป็นพระเปนี มีจำนวนมากและเป็นผู้ผู้สนใจมากเ่าเท่าไหรสาชนคคำคำสงสอนความประพฤติเกีก็ยิ่งจะได้เรินเรื่งเรองโลกทั้งหลายก็จะมีความรื่นเยินเป็นสุทธิเกิดความเดิอดร้อนเพราะห่างเรินจากธรรมอันเป็นความริ่มเย็นอย่างยี้ เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นข้าศิกต่อโลกตั้งแต่การใ น, ในั้นเลยและสามารถจะให้ความร่มเย็นแก่โลกเท่าที่ควรแก่กำลังความสามารถที่เป็นปฏิบัติต้ามากน้อยเท่าไหร่ทนที่จะพึงตามสนับสนุนผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกมากขนากหสือพระ นกวของเรายอมใจรับความเิ่มเย็นเป็นสุขเพราะเสื่อมใจมีธรรมะเพื่อแต่งคอยสะิตความผิดพลาดของการทำการผิอการผิตของตนหรอือเสมอแต่ละท่านละท่าน้ามีความสนใจใครต่อการปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทเธเจ้าแล ไม่ว่าวงงานไม่ว่าสังคมไม่ว่าวงแคบหรือวงกว้างไม่ว่าบ้านใดเมืองใดการที่จะเกิดการความการทะเลาะเบาแบงขึ่งกันในะกันถ้าลดแบในใลงไปเปางหบบเนี้อาที่อกรกนับวันจะลดน้อยใใลงไป ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีความสนใจต่อหลักธรรมของปภิสิทิการคือพยายามพึ่งตนเองด้วยการประพฤติตัวให้ดีเป็นสิริมงคลแก่ตนแเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนั้นยังจะเป็นสง่าราศีแก่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่าเหนือสินใดๆในโลกนี้ด้วย แต่เป็นธรรมดาของจดิติสไยที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่านานาจิตตังแน่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ให้เป็นความร่มเย็นให้ทุกแห่งทุกผนก็ตามแต่สถานที่หรือทุนคนหนึ่งๆครอบครัวหนึ่งๆ อ, อย่างน้อยก็ขออย่าให้ขาดคนที่มีธรรมะเป็นหลัก ของสถานที่และสมาคมตลอดบ้านเมืองนั้นนั้นก็ให้เป็นไม้เท้าหลักใยสำหรับทูที่ไม่สาม า, ารถจะไปพิสูิบัตนเให้ได้ดีเหมือนอย่างท่านกูนั้นได้ยึดเห น, นี่ยวเป็นหลักใจคร้อยตามท่านกูนั้นโลกก็ยังมีหวังจะมีความเจริญรุ่งเรือง เมื่อย้อนเข้ามาถึงนักบวชและนักปฏิบัติของเราก็เป็นผู้หนักแน่นต่อศีนทรเรซึ่งเป็นเครื่องระดับลายวาจาใจของตนด้วยบีพยายามระมัดระวังรักษาสิ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อกายวาจาใจอันสุดเนื่องมาจากความกดทิศ จะทํากายวาจาใจของเราไม่ให้เป็นผู้น่าดูหน้าชมน้าเดือใส่พยายามดัดกายวาจาใจของคนของคนให้เป็นไปตามหลักธรรมคาสอนทั้งพระพุทธเจ้ายู่ที่ไหนอย่าได้ปราศจากเครื่องประดับหีความงามกับทำายมาตาใจของคนผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม และคือว่าเป็นผู้มีเครื่องประดับอันสวยงามยิ่งและดูดบินแกนตนเองตลอดหมู่ขวัญลิปชาชน ท, ทั่วๆไปไม่มีวันจีบกัเพราะเครื่องประดับวันนี้เป็นเครื่องประดับที่ไม่ต้องขึ้นเดืองถุณนัพร์สมบัติอะไรมากมายนะ แต่สามารถจัดกระดิ์คิดขึ้นมาประดับตนได้ขออย่างเดียวแต่ว่าจงเป็นผู้หนักแน่นในหลักธรรมของพระพุทธเจา้าและอย่ามองข้ามตนเองไปเพี้ยให้ตนเป็นติ่งของตนสมกับคำว่าอัตตาอัตโนนัตโถที่พระองค์ท่านประทานไว้ในความหมายแห่งธรรมบทนี้ซึ่งแปลตามท่านแปล ว, ว่า ตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นหลักอั น, นคือท่านสอนให้ทําตัวของเรานั้นให้เป็นที่พึ่งของเราได้การที่จะทําตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเป็นผู้ไม่มองข้ามตัวไปเสียโดยไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นซึ่งตนไม่มีคุณงามความดีและความประพฤติ ที่จะควรเป็นสาระอ่งสารแต่ตนเองอย่างใดๆแม้แต่น้อยแต่ก็หวังพึ่งผู้อื่นดต่โดยถ่ายเดียวเช่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ลืมตนและชื่อว่าเป็นผู้ลืมทำบุตรที่ว่าอตาเหิอตโนนาโถนัยทีเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นความลํำบากแก่ตรเด่นดังนั้นคําที่ว่าตาหิอตโนนาโถจึงเป็นหลักใจของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้จะไปทําการทำงานในการแสดงหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองหรือกับหมู่ชนใดๆก็ตามในสมาคมใดๆก็ตามต้องถือตัวนาเอาตัวเป็นผู้ประกันเข้าในกิจการงานนั้นๆว่าต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์จริตต่อหน้าที่การงานในล่าเวลา ไม่คดโกงมีความสัดซื่อต่อเผื่อนฟูง้งมีความสัดซื่อต่อตอนเองมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานของบุคคลที่จะหวังพึ่งตัวเองผู้เช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่พึ่งตัวเองได้นอกจากนั้นยังจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นที่เขายังไม่มีความสามารถเพียงนั้นและรับทายทอดจากเรา หรือจากคนนั้นให้ไปเป็นตัวอย่างของเขาเองแล้วดำเนินตามกรายเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองได้ขึ้นมาเป็นอันหนักต่อไปหลักของพระพุทธศาสนาท่านจริงไม่ให้มองข้ามตนหมายถึงทมหมดนี้เองมี่เราทั้งหลายที่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงผ้ากาแต่ละพั ให้นมามเป็นดุขสิทิ์ของพระธรรมโคดจ้าแล้วทรงเป็นผู้สำนนกตนอยู่เสม อ, อยาได้ลืมตนนำข้อวัดปฏิบัติความประพฤติเรียบร้อยโดยเสด็จพระพุทธเจ้าตัวอัดด้วยธรรมด้วยเจตนาที่ดีที่ชอบมั่นคงต่อข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสกันหาอาสวะของตนโดยทางความเขียนไม่ลดละ ผู้นี้แหละที่ว่าจะเป็นอัตตาอิสตานโนนาโถด้วยจะเป็นชริมงคลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยจะเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยคนประเภทนี้มีจํานวนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องกระดับพระศาสนาและโลกให้เจริญรุ่งเรืองสวยงามไปมากเท่านั้นเพราะนี้เป็น ธรรมที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติได้กลายมาเป็นเครื่องกระดับทําให้เช็โสวยงามอยู่ตลอดเวลาแม้สีผ้าจะเป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการอวัยวะที่โลกเขาเห็นว่าสวยงามมีผมบนทิษะเป็นต้นก็โกนทิ้งอย่างนี้ก็าตา โลกเขาไม่ได้คำนึงในส่วนเหล่านี้เป็นหลักสำคัญแต่คำนึงถึงข้อปฏิบัติความประพฤติดีงามถูกกับผิงกับธรรมมารยาทก็กลมกล่อม ก, มกับหลักของพระธรรมในไหนกลายเป็นความสวยงามขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นแล้วโลกทั้งหลายพรมมีความยินดีเกิดความเชื่อและเอื้อสาส กราบว่าอย่างสนิทจิตมีใจนี่เป็นจุดหวังของโลกผู้มีความร่่มร้อนจะอาศัยผู้มีความร่มเย็นด้วยการปฏิบัติธรรมะโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากโลกทั้งหลายจะได้กราบไายบูชาได้รับความร่มเย็นจากเราแล้วเราเองยังเป็นผู้ทรงไวซึ่งธรรมะที่ประเสริฐและ เย็นอย่างยิ่งด้วยดังนั้นจึงขอขอบคุณและอนันโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาหมาจากสถานที่แห่งไกลฉลาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียดายในในล่ำเวลาความลำบากแม้ชีวิตจิตใจก็สามารถสละได้ในการไปการมาเพื่อศึกษาธรรมะ อันเป็นข้ออัดข้อทำความสอนของพระพุทธเจา้าเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจใจของตนให้ได้ดำเนินตามด้วยความถูกต้องแล ะ, จะเจริญสุ ข, ขึ้นไปเป็นลำดับดังนั้นเราทั้งหลายโปรดได้ทำหนึง่งถึงหน้าที่ของพวกเราเพราะทุกจิมงทุกอย่างได้ก่อยให้โลกเป็นผู้รับภาระหมดแล้ว ที่อยู่ที่อาศัยซึ่งให้นามาวัดก็เป็นญาติโยมเขามีจารททวายถินอกจากนั้นกุติศาลาเขาังต้องความถนับสนุนจนสุดจิตความสามารถอาหารการกินทุกทุกอย่างทื่ว่าปัจจัยสี่แล้วเป็นหน้าที่ฐาระของญาติโยมจะอุปถัมภ์ดูแลเราไม่มีความกังวลอะไรกับปัจจัยสี่นี้ นอกจากทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์กับภูมิของพระที่เป็นดุจปิตาถาโคตรเจ้าด้วยข้อปฏิบัติโดยความเข้มแข็งเท่านั้นความเข้มแข็งในสถานที่นี้คือมีความมุ่งมั่นต่อหลักความจริงของธรรมอย่างล่ง ส, สุดท้ายก็คือหมายคําหมายถึงมรคนิพพานการที่จะก้าวเข้า ทึงมรรคผลมิพานตามที่เทว อ, องเจ้าทาประทานไว้นั้นต้องดําเนินไปด้วยข้อปฏิบัติจะไปเป็นดําเนินไปตามทางสายที่โลกโลกเขาดําเนินทั่วทั่ไปด้วยบาทย่างเท้า น, นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นไปด้วยข้อปฏิบัติของเราประพฤติให้ถูกศีลถูกธรรม ศีงจะเป็นข้อใดพระวินัยจะเป็นข้อใดที่พระองค์ท่านทรงมั่นแดดไว้ให้ถือเป็นข้อหนักแน่นและสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะตามสนับสนุนหรือเทิทททดทูนพระธรรมวินัยบทนั้นนันไว้เพื่อเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราด้วยเพื่อประดับอรงข้ศาศัตริย์ด้วย จงมีความหนักแน่นต่อหน้าที่ของตนกิจการงานใดๆถ้าเห็นว่าเป็นความชอบที่จะยังสิ่งมวหมองภายในจิตใจให้ค่อยหลุดลอยออกไปเป็นลำดับแล้วโปรดได้ถือข้อวัดปฏิบัติข้อนั้นเป็นสำคัญคือเป็นเครื่องแก้อันสำคัญเราจะเห็นว่าสิ่งใดๆ ที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นของเล็กน้อยให้ถือว่าเป็นของใหญ่โตถือเป็นของสําคัญเพราะพระโอวาททุกๆบททุกๆบาทที่ทรงประทานไว้เพื่อก็เพื่อจะกแก้สันดานของสัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลส อ, อันหนาแน่นภายในใจทั้งนั้นไม่ใช่จะเพื่องั่งสมกิเลสให้เกิดมีขึ้นแก่สัตว์เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมในัยของพระพุทธเจ้าเลย ทุกๆสิ่งให้เราถือเป็นสำคัญในหน้าที่ของพระเราการบินพบาทก็เป็นเรื่องสำคัญประจําหน้าที่ของพระอาชีพหรือหน้าที่ของพระเป็นหลักสำคัญก็คือการบินพบาทนี่เป็นข้อวัดอันหนึ่งการขบการฐานก็ให้มีหลักธรรมลุยในเป็น เพื่อค้่กันเสมออย่าให้กิเลสตัณหาสอดแทรกขึ้นมาในขณะที่ขบฉันให้ทิจน า, าโดยแยบคายอาหารทุกประเภทที่ได้มาฉันนี้ได้มาเพราะเหตุใดได้มาด้ยวยสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าได้มาด้วยสัมมาอาชีวะคือ ได้มาด้วยการบินทมาตหรือเขาให้ทานมาด้วยความมมลีบริสุดใจเมื่อของเหล่านั้นก้าเข้ามาถึงตัวของเราแล้วขณะที่ฉันก็อยากให้เป็นมิจฉาอาชิวะแทรกเข้าอยู่ในสถานที่นั้นถ้าฉันด้วยกิเลสตัณหาฉันด้วยการความขานองฉันด้วยความฟุ้งเฟอ้เอเเหิมในรสในชาติในอาหารปัจใจในที่อยู่ ในเครื่องนุ่งห่มที่เรียกว่าสะโงจีวอนทุกอย่างแล้วนั่นแหละแม้สิ่งทั้งหนาจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์กิริยาที่ได้มานั้นบริสุทธิ์จรงแต่กิริยาที่บริโภคใช้สอยกลายเป็นมิถาที่ไปโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นการบินการก่อนฉันถ้พพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจณาปริสังขโยคำว่าไปสังขโยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องใหญ่โตที่จุดครอบไปหมดทั่วทั้งโลกเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ยอมทําเอาเฉยๆโดยปราศจากการไข่ครวญใส่ตรองให้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก่อนฐานจึงต้องพิจารณาในปัจจัยที่มารวมอยู่ในบาศหรือมารวมอยู่ในภาชนะนี้ได้มาแล้วโดวยความบริสุทธิ์ในขณะจะฉันนี้จะเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่ หรือจะกลายเป็นมิสาชิพโดยเจ้าตัวไม่ดูจึงต้องเทศนาเรื่องปริสังขายโยนิโสคิรังปินนาปาตังให้เห็นจากแต่ว่าเป็นเครื่องเดียวย า, าถัดุันหรือบำรุงธัดุันไปในระยะหนึ่งระยะหนึ่งพอที่จะได้บำเพ็ญสมจริยให้เป็นไปและพอบรรเทาความกวนกไวยซึ่งเกิดขึ้นจากความหิวไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งถึงลดถึงชาติ มาได้มุ่งถึงความอริดอร่อยมาได้มุ่งถึงหารจับประนีบบรรจงที่ไหนไม่ได้มุ่งถึงสถานที่ดึกชาติชั้นบรรณะของผู้มาให้ทานแต่มุ่งถึงความบริสุทธิ์ใจที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วนี่แหละเป็นอาหารยอดเป็นอาหารที่ประเสริฐเมื่อเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเราเป็นของได้มาด้วยความประเสริฐตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ขณะจะฉันจึงต้องพิจนาให้เป็นความประเสริฐอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าปฏิสังภายโยเป็นเครื่องกันกรองใายเรียบร้ อ, อยแล้วฉันลงไปกาหนดลงไปอาหารที่มาในถ้วยในติ่นโตก็รวมมาแล้วประเภทหนึ่ง<ม>เขาผสมเผื่อมาเป็นแกงเป็นน้ำพริกรวนแล้วตั้งแต่สิ่งผส ม, มจะเป็นแจงจีบแจงเผ็ดแจงอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีทัพสัมพระเครื่องทําครัวผสมกันเท่าแล้วกลายเป็นชื่อ น, นั้นๆขึ้นมาที่เขานามาก็รวมแล้วประเภทหนึ่งทีนี้เวลาเข้ามาในบาทของเราก็รวมเข้าอีกเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในการรวมของภายนอกกับรวมเข้ามาในบาทมีลักษณะต่างกันอย่างไรพิจารณาอย่าให้มีความตื่นเต้นอย่าให้มีความติดตกติดกจอย่าให้มีความขยะแขยงต่ออาหารกัน โดยโวกซึ่งคุกค้าวกันอยู่ในบาดลูกเดียวหรือในที่แห่งเดียวกันแล้วย้อนเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องอาหารที่รวมลงไปผ่านมุขขตวาลเข้าไปถึง ส, ส่วนร่างกายของเรานั่นยิ่งเป็นการข้าค้าวหรือเป็นกองกติคูณอันใหญ่โตเทียงจะรวมในบาดก็ยังไม่เท่าไร ถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาตามไปสังยโยที่ท่านสัตไว้จะมีอุบายแยบคายทั้งขณะที่ได้มาทั้งขณะที่จะฉันทั้งขณะที่ฉันและขณะที่ฉันผ่านไปแล้วรวมเขาโดยอาหารรวมเข้าไปสู่ร่างกายหมดแล้วก็ได้อุบายแยบคายตลอดเวลาและไม่มีการขยะขยแขยงไม่มีการตื่นเต้นกับอาหารการบริโภคจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตาม ก็ศักดิ์าจ้ามาเยียวาถ้าจะพูดถึงเรื่องความปฏิกูลแล้วในตัวของเรานี้เป็นรากฐานหรือเป็นรากเงาแห่งความปฏิกูลเป็นภาชนะของปฏิกูลทั้งนั้นอาหารเมื่อได้ผ่านเข้าไปในมุขทวารคือปากของเราถ้าหากว่าไม่มีน้ำลายซึ่งเป็นกองปฏิกูลรอรับเชื่อมอยู่แล้วอาหารจะไม่มีรสมีชาต จะมีความเสน่อเ็กอร่อยภายในร่างกายต้องอาศัยน้าลายซึ่งเป็นของปฏิกูลอีกทีเข้ามาคุกเข้าแล้วปรากฏเป็นความอเล็กอร่อยคืนก็สะดวกสมายนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าธาตุของเราต้องการของปฏิกูลของสะอาดสวยงามจะเอานามาเยียวยาไม่ได้เช็นเทคมินกินนาที่โลกสมมติว่า เป็นของสวยของงามของมีคุณค่าแต่จะเอามารับทานเยายาทักขันนี้ยอมเป็นไปไม่ได้ข้อภาคขันไม่ใช่เป็นของสวยงามดังนั้นเป็นของปฏิกูลต่างหาเมื่อสิ่งใดที่เป็นของปฏิกูลเข้ามาเกี่ยวกับทักขันภาคขันจึงยอมรับและคุ้มค่ากันทันทีเป็นชีวิตจิตใจสืบเนื่องมาได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้และตลอดอันวาา่อาอวาสารเป็นไปด้วยความปฏิกูลคุกเข้ากันกับปฏิกูลทางนั้น ไม่ใช่อย่างอื่นใด้เพราะฉะนั้นนะักปฏิบัติเราจรึงควรที่จะนาให้เห็นชัดตามหลักความจริงในเส่วนความเป็นปฏิกูลทั้งอยู่ข้างนอกทั้งเข้ามาในบาททั้งรวมเข้าไปมุขถวานทั้งผ่านลงไปถึงที่อยู่คือส่วนแห่งร่างกายของเราแล้วและผ่านออกไปอีกมีลักษณะเช่นใดเวลาเข้ามาที่แรก มีสีสันมณะเป็นอย่างหนึ่งกิ่นเป็นอย่างหนึ่งทานเข้ามาผ่านเข้ามาเปลี่ยนสีสันมณะเปลี่ยนรสเปลี่ยนฉากเปลี่ยนกลิ่นหเปลี่ยนอุทาโรตไปหมดนี่แสดงให้เห็นมากสภาพเหล่านี้ก็เป็นวิตริณามธรรมมีความแปรสภาพประจำตนเราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาคือปฏิสังขาโยกเราจะไม่ขาดถุนเรียกว่าเป็นสัมมาอาชิระด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ เมื่อได้พิจนาเช่นนี้แล้วใจก็สาบายมีอะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่าสะบงจีวรจะเป็นเนื้อประเภทใดไม่ว่ากุติที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นประเภทใดมีคุณค่ามากแน่นหนาทาวรขนาดไหนใจของเราย่อมมีความพอดีเสมอไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้อเหือเหิมไม่หดหู ภายในจิตใจไม่ขยัขายัยงต่อปัจจัยทั้งสี่คือกีวรบินพบาเจนาสณะและจิกิฬานาเพสัตเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ตามปกติของเขาก็มีความสะอาดพอ ด, ดูตามที่โลกนิยมแต่เมื่อเข้ามาคลุกคล้ากับส่วนแห่งร่างกายของเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดอาหารก็ต้องเป็นของปฏิกูลทันทีถ้าที่เป็นถ้าที่มีเนื้อดีและสะอาด เมื่อพมาคุกเข้ากับร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นผ้าปฏิคูนไม่ซักไม่ซัก้าล้างอยู่บ่อยๆไม่ได้จะกลายเป็นของปฏิคูนทิ้นหมดทั้งถิง่นแล้วนุ่งห่มต่อไปอีกไม่ได้เลยนหนเฉนาธนะที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องตัดต้องกวาดเทดถูกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอาศัยของปฏิคูนเป็นเจ้าของอยู่ที่นั่นเป็นประจำเจึงต้องในชำระสาสางสิ่งเหล่านี้เสมอนี่ หลักการพิจารณาปริสังขายกไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยผู้ที่มีปริสังขโยจะไปจะมาจะเดินจะเหินจะขบจะฉันจะทําอะไรย่อมมีความรอบขอบสมบูรณ์ทำอะไรไม่คอยผิดพลาดเพราะอํานาจปริสังขโยกส่งกระแสชานไปหมดทุกแห่งทุกหนในความเคลื่อนไหวของตนเต็มไปด้วยปริสังขโยกที่ความแยบคายอย่างปัญญ่นี่ เนื้อหน้าที่ของพระจกพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนโดยเฉพาะโปรธได้พิจารณาเป็นนี้และมีความพ้อแท้อ่อนแอในหน้าที่ของเราหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและไม่เคยทราบมากพระพุทธเจา้าหรือสาวกองใดๆได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะความพ้อแท้อ่อนแอนอกจากจะได้ด้วยความขายันหมั่นเพียรนักก็เอาเบาก็สู้ ไม่ผอไม่ลดท้อความเพียรที่เห็นว่าเป็นไปด้วยการด้วยความชอบธรรมแล้วนี้หน้าที่จะขมักขะเม่นเข้มแ ข, แข็งอยู่เสมอวันนี้เข้มแข็งขนาดนี้วันหน้ามีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งขึ้นไปเพราะความมีควานานต่อข้อวัดปฏิบัติไม่ให้อ่อนแอถอยหลังลงไปให้มีความเข้มแข็ ง, ขงก้าวหน้าเสมอฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เราอย่าไปสําคัญในเสียงเสียงไม่เป็นปัญหาอะไร ให้สำคัญที่เมื่อธรรมะที่พูดออกมานั้นถูกตังร์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าถูกตามหลักธรรมแล้วจะยากหรือจะลาบากในการปฏิบัติตามนั้นเราไม่ต้องถือมาเป็นข้ออุปสรรคกีดขวางจิตใจนอกจากจะแก้ไขแต่ตามที่ตนเห็นว่าชอบทำตามท่านแล้วเท่านั้นเราจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้น นิสัยที่เคยเป็นผู้มีความจริงต่อหน้าที่การงานทุกๆประเทศในวัดท้่เล็กึ้่ใหญ่ฝังเข้าในจิตใจกลายเป็นนิสัยที่มั่นคงแล้วจะทำอะไรก็มั่นคงด้วยกันทั้งนั้นจึงสามารถจะลื้อฟื้นตนของตนได้และสามารถเอื้อมมือถึงมรรคมิตรฐานโดยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความเพียรนี้ไปเลยนี่แหละหลักของชัที่เราจะดาเนิน ขอให้ดำเนินอย่างนี้เราเป็นคนหมดค่าหมดราคาเนี่ยในทางอื่นนอกจากจะเป็นผู้มุ่งหวังต่อทำที่มีคุณภาพประจําใจของหรด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามและด้วยความเขียนหมั่นเพียรของเราเทานี้จะไม่มีอันใดมีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องที่กล่าวนี้สำหรับท้านเราหากว่าเราทุกท่าน เป็นผู้ได้มองดูตัวของเราเสมอว่าเป็นหลักสำคัญแล้วเราก็จะได้รู้สิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องภายในความประพฤติของเราและยังมีโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้เป็นลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งด้าน ความประพฤติหรือปฏิบัติภายนอกซึ่งเกี่ยวกับข้อวัดใี่ปฏิบัติเราก็าจะสมบูรณ์เมื่อย้อนเข้ามาทางด้านของสมาธิคือความสงบใจก็จะเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยหลักความจริงที่เราทําด้วยความเข้มแข็งเรื่องของปัญญาก็จะเป็นไปด้วยความเฉลียวฉลาดเพราะอานาจของความเข้มแข็ ง, ขงเป็นเครื่องผลักดันไปให้ดําเนินดีเสมอ เรื่องจุดที่มุ่งประสงค์นั้นจะหนีจากความภาคความเพียรนี้ไปได้เรื่องการจะมองอนาคตโต ด, ดได้มองปัจจุบันของตัวเป็นหลักสําคัญเราจะก้าไปสู่อนาคตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนโต ด, ดได้มองดูตัวของเราซึ่งเป็นหลักปัจจุบันเป็นตัวประกันอันอนาคตสีน้ำัดนี้จูไหาบกพ่องที่แก้ไขในปัจจุบันนี้ทวนใดบกพ่องอย่าปล่อยให้ ถ้ามวันขามคืนไปอย่าปล่อยให้เสียเวลาเวลาไปแม้แต่นิดหนึ่งรีบแก้ไขทันทีผู้นี้แหละที่ว่าเป็นผู้ปรับปรุงปัจจุบันได้โดยถูกต้องในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ปรับปรุงในทั้งตัวของตัวเพื่ออนาคตได้โดยถูกต้องอองอีกเหมือนกันรักของอนาคตนั้นเป็นผลไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันปรับปรุงไม่ดีแล้วอนาคตจะไม่มีผลอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นภายในบุคคลผู้นั้นนั้นเลย ฉะนั้นหลักปัจจุบันคือการปรับปรุงตัวเองซึ่งกําลังศึกษาและปฏิบัติตนเป็นหลักสําคัญยิ่งทรงทำความสนใจใช่ต่อการแก้ไขตนเองในปัจจุบันให้มีความแน่นหนามัน่นคงจนหาที่ตําหนิงความประพฤติของตนม่ไาแล้วเรื่องอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่นั้นจะเป็นเรื่อ ง, องสมบัติของเราจะเป็นผู้เดียครับโดยไม่ต้องสงสยัย นั่นในอวสานแห่งธรรมะที่แสดงมานี้ขอให้ทุกๆท่านที่ใดต่างก็ได้มาด้วยความสนุออกสนานใจไข่ต่อธรรมะคมํำสอนทั้งพระพุทธจักซึ่งผมได้อธิบายให้ต่งตางการสติกําลังความสามารถโตได้นำปฏินิพพ์เพื่อแก่นาและพยายามปรับปรุงแก้ไขหลักปัจจุบันอย่าได้มองข้ามตนเองที่เรียกว่าอัตโนมุนนาโหนีไปเสียเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะเป็นที่พึงง่งของโลก ทำโลกให้มีความร่มเย็นและจะเป็นผู้ประดับพระศาสนาให้เจริญรุ่เงเรืองแต่ได้จึงขอดิติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง <c oughs>